ขณะ น, นี้ฝนกำลังตกเสียงบรรดามากพูดธรรมะคงจะไม่ค่อยได้ยินก็ขอใช้เวลาช่วงนี้นั่งสมาธิกันไปก่อนรอให้ฝนเบาลงแล้วค่อยพูดธรรมะต่อนั่งตามสบายนั่งขัดสมาด์นั่งพับเพียบแล้วแต่จะสะดวก นั่งแล้วก็ให้มีสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธห ร, รืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องทําอะไรพุทโธไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆเข้าใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุข ต้องขออภัยด้วยวันนี้ต้องนั่งสมาธิกันก่อนวันนี้เป็นวันพุทธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันเป็นวันพระพิยมหาราชทางราชการ จึงกำหนดให้เป็นวันหยุดทำงาน1งวันทางศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะเป็นวันที่เราจะได้มีเวลามาเพิ่มบุญให้กับชีวิตของพวกเราบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจของพวกเรา เป็นที่พึ่งของจิตใจของพวกเราเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งคือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี้เป็นที่พึ่งของร่างกายคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยานักษาโรคร่างกายนี้ต้องพึ่งปัจจัยสี่ ถึงจะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งเหมือนกันที่พึ่งหรือปัจจัยสี่ของใจก็เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขความสบายกับใจ กำจัดความทุกข์ความยุ่งยากลำบากต่างๆให้กับใจปัจจัยสี่ของใจนี้ก็เป็นเหมือนของร่างกายคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยาลักษที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพียงแต่ว่า ไม่เหมือนกับของร่างกายอาหารของร่างกายนี้เป็นรูปประธรรมส่วนอาหารของใจนี้เป็นนามธรรม ใ, ใจเป็นนามธรรมร่างกายนี้เป็นรูปประธ<ม>รรมปัจจัยสี่ของร่างกายนี้เป็นรูปประธรรมที่เราสามารถเห็นได้จับต้องได้เช่นอาหาร ที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเสื้อผ้าที่เราสวมใส่บ้านช่องที่เราเอาศัยอยู่ได้ยารักษาโรคที่เราใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้เป็นรูปประธรรมที่ร่างกายของเราจับต้องได้ส่วนปัจจัยสี่ของใจนี้เป็นนามรธรรม ที่ร่างกายของเราจับต้องไม่ได้จะต้องใช้ใจเป็นผู้จับต้องแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายปัจจัยสี่ของใจคืออะไรอะไรคืออาหารของใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานเวลาเราทำบุญทำทาน ใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขอะไรเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลศีล น, นี้ทําให้ใจเราสวยงามเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่เราสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วทําให้เราดูดีดูสวยดูงาม เวลาเราไปไหนมาไหนเรามักจะเลือกเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใสเพื่อให้เราดูดีดูแล้วมีคนรักคนชอบใจของเราก็ต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันแต่เสื้อผ้าของใจนี้เราเรียกว่าศีลคือการประพฤติ ท, ที่ดีงาม การประพฤติที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นคนที่มีศีลนี้จะเป็นคนที่น่ารักมีคนรักมีคนชอบต่างกับคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือ เสื้อผ้าอภรรของใจคือศีลใจสวยงามด้วยศีลร่างกายสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรต่างๆแต่ความสวยงามที่ดูดเดิมที่จริงแท้ก็คือความสวยงามที่ใจไม่ใช่สวยงามที่ร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรร ต่อให้สวมใส่เสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิสดารสวยงามมีราคาแพงมากเพียงไรก็ตามถ้าจิตใจไม่มีศีลธรรมก็จะไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่นความสวยทางร่างกายนี้เป็นเหมือนเปลือกส่วนความสวยทางใจนี่เหมือนกับเนื้อ เวลาเราซื้อผ ล, ลไม้เนี่ยเราก็เลือกทั้งเปลือกที่สวยและเนื้อที่มีรสชาติอร็ออร่อ ย, เ, ยเราถ้าเราไปเลือกผ ล, ลไม้ที่สวยแต่เนื้อไม่มีรสชาติ<ม>ก็รับประทานไม่ไดเ้เราก็จะไม่ซื้อกันถ้าเรารู้ว่าสวยแต่เปลือก แต่เนื้อนี่ไม่สวยไม่น่ารับประทานฉันใดความสวยงามของคนเรานี้สวยงามที่แท้จริงก็ต้องสวยงามที่ใจสวยด้วยศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดเป็นต้นยิ่งมีศีลมากก็ยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นไปตามลำดับ เราจึงมีธรรมเนียมที่เราใช้ปฏิบัติต่อผู้ที่มีศีลต่างกันผู้ที่มีศีล น, น้อยกว่าก็ให้ความเคารพต่อผู้ที่มีศีลมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีเป็นพ่อลูกเป็นแม่ลูกกันก็ตามเวลาลูกไปบวชเป็นพระนี่พ่อแม่นี้ยังให้ความเคารพกับลูก <mammal> <np. S 1> พถือว่าลูกนี้มีศีลมากกว่าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะมีศีลห้าหรืววอาอาจจะมีไม่ครบก็ได้ส่วนลูกคมามบวชเป็นพระเป็ น, เ, ปนเนนก็มีศีลสิบมีศีลสองรอยยิบเจ็ดก็เลยเห็นว่าลูกนี้สวยงามน่ารักน่าเคารพกับพ่อแม่ พ่อแม่จึงให้ความเคารพต่อลูกที่มาบวชเป็นพระเป็นเณรอันนี้คือเรื่องของเสื้อผ้าของใจถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการที่มีคนรักคนชอบเราเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่สวยงามของใจไว้สวมใส่คือเราต้องมีศีลกัน ต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ศีลพื้นฐานก็คือศีลห้ารักษาได้แล้วก็จะทำให้เร า, าไม่น่ารังเกียจคนที่ไม่มีศีลห้าก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใสน่นี่เวลาไปไหนมาไหนคนเขาก็จะ รังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้เยไม่เชื่อลองถอดเสื้อผ้าดูแล้วไปเดินตามศูนย์การค้าดูมีดูซิว่ามีใครเขาจะเข้าใกล้เราหรือเปล่าหรือจะมีแต่คนวิ่งหนีนี่คือเรื่องของปัจจัยที่เรียกว่าเสื้อผ้าต้องต้องมามีศีลกันมารักษาศีลกันวันเวลา ที่เราทำงานเราอาจจะไม่สามารถรักษาศีลได้มากอย่างมากก็อาจจะได้ศีลห้าแต่ถ้าวันหยุดทำงานถ้าเราอยากจะเพิ่มความสวยงามให้กับจิตใจของเราเราก็มาเพิ่มด้วยการรักษาศีลแปดถ้าเป็นคารวาทผู้คองเรือนนี่คือวิธีเสริมสวยความงามของจิตใจ ให้มีความสวยความงามเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเมื่อมีความสวยความงามก็จะมีความสุขมีคนเขารักเขาเคารพนับถือไม่รังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามนี่คือเรียกว่าเป็นปัจจัยข้อที่สองของใจปัจจัยสี่ที่สองของใจก็คือ การมีศีลส่วนปัจจัยข้อที่หนึ่งก็คือการทาบุญทาทานเวลาเราได้ทำบุญทาทานได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาด้อยกว่าเราผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากกว่าเราพอเรา้ได้เราได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้กับเขา เราก็จะเกิดความอิ่มเอิดใจขึ้นมาเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกจืดชืดแต่พอเราได้ทำบุญได้เสียสละได้แบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนผู้ที่เขาเดือดร้อน พอเราได้ทำแล้วเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาการทำบุญทาทานเราทำได้กับทุกคนทุกสัตว์ทุกบุคคลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ทำบุญทาทานกับเขาได้เช่นเวลาเราไปปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นการให้เขามีอิสรภาพ ให้เขามีชีวิตต่อไปเพราะถ้าเราไม่ไปถ่ายชีวิตเขาเขาก็จะถูกจับไปทำกับข้าวกับปลาเป็นอาหารพอเรารู้ว่าเราได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นให้ได้อยู่ต่อไปได้เราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นนกเป็นปลาถ้าเรา รู้ว่าเราจะต้องถูกเขาจับไปฆ่าไปแกงแต่พอมีคนมาถ่ายชีวิตให้กับเราเราจะมีความรู้สึกดีใจมากมีความสุขมาก น, นี่คือเรื่องของการทำบุญทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขแทนที่เราจะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันไปดูไปฟังไปกินไปเดิม หรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จําเป็นขอให้เอาเงินนี้มาทําบุญทําทานจะได้ผลดีกว่าจะได้ความอิ่มใจสุขใจที่ยั่งยืนกว่ายาวนานกว่าการที่เราได้ความสุขจากการไปเที่ยวกันหรือไปดูไปฟังอะไรกันเพราะว่า อันนั้นเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆวชั่วขณะที่เราไปเที่ยวไปดูไปฟังพอเราหยุดเที่ยวหยุดดูหยุดฟังความสุขนั้นก็หายไปทำให้เรารู้สึกหิวขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> พอความสุขแบบนั้นมันไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่เป็นยาเสพติดของใจ yeah. ยาเสพติดเราก็รู้กันว่าเป็นอย่างไร เวลาเราใช้ร่างกายเสพยาเสพติดเราก็จะมีความสุขเดี๋ยวเดียวพอฤิ์ของยาหมดไปความหิวความอยากจะเสพยานั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกเนต่างกับความสุขที่เราได้ความอิ่มที่เราได้จากการทําบุญทําทานทําบุญทําทานแล้วทําให้จิตใจเราอิ่มเอิบไปยาวนาน บางทีเราคิดถึงบุญที่เราทำไว้เมื่อเดือนที่แล้วความสุขก็ยังเกิดขึ้นมาความสุขที่เราได้ทำบุญมันอยู่กับใจไปนานกว่าแล้วทำให้ใจเราไม่หิวโหวยทำให้เราไม่ต้องไปคอยซื้อนั่นซื้อนี่มาบำบัดความหิวโหวยของใจ ซื้อของไม่จำเป็นมาบำบัดมันก็บำบัดได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วก็ทำให้อยากซื้ อ, อเราก็ต้องไปซื้อของอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ใจเราอิ่มสู้อเอามาทาบุญทาทานดีกว่ามีคุณค่าต่อจิตใจให้ความอิ่มใจในปัจจุบันและเวลาที่ร่างกายตายไปยังเป็นเสเียงที่เอาติดตัวไปได้ เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้กันไปตลอดไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็ต้องหยุดทำงานหยุดหายใจพอหยุดหายใจเราก็ไม่สามารถพึ่งร่างกายหาความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเรามีบุญเราก็อาศัยบุญทำหน้าที่ให้ความสุขให้ความอิ่มใจกับเราได้ เวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้เราก็ต้องอาศัยบุญเป็นอาหารอาหารนี้ทําให้ใจเราอิ่มเอิบมีความสุขเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขนี้เราเรียกว่าเทวดานี่เอง เวดาก็อยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกทิพย์ที่เป็นซีของสวรรค์ที่มีความสุขถ้าเราไม่ได้ทำบุญและเราไม่ได้รักษาศีลเวลาที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณของเราจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็จะไปอยู่ในซีของอบาย เป็นสีกที่มีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจนี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของใจจะรักษาใจให้มีความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขมีความอิ่มหนำสาลานใจไม่หิวโหย ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราได้เตรียมเอาบุญติดตัวไปได้ไปด้วยนั่นเองอ น, นี่คืออาหารของใจศีลก็เป็นเสื้อผ้าของใจจะทำให้ใจไม่ต้องไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่น่าเกลียดน่ากลัวคือดวงวิ ญ, ญญาณที่อยู่ในบายเช่นเปรตอสุรกายหรือนรกนี่ จะเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์หรือเป็นดวงวิญญาณของเทวดาถ้ารักษาศีลได้ส่วนปัจจัยสี่ข้อที่สามของจิตใจที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยก็คือการทำใจให้สงบการมีสมาธินี้เองสมาธินี้เป็นเหมือนบ้านของใจเวลาใจเกิดความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆ ถ้ามีสมาธิก็สามารถเข้าไปหลบในสมาธิได้เรื่องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะไม่ปรากฏเวลาที่เรานั่งสมาธิทาใจให้สงบกันเหมือนเมื่อกี้นี้ฝนตกเราก็ไม่ต้องไปกังวลไปวุ่นวายกับฝนเราเพียงแต่นั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ไปคิดถึงเรื่องฝนตก ฝนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราพอฝนหยุดเราก็ออกมาได้ทาอะไรต่อไปได้ชีวิตของเราวันวันอย่างนี้จิตใจของพวกเรานี้จะต้องพบปะกับเรื่องราวต่างๆมากมายมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรื่องที่ดีไม่ได้ทำให้เราทุกข์กัน แต่บางทีเราก็ไปเจอเรื่องที่ไม่ดีที่ทำให้เราทุกข์กันทำให้เราไม่สบายใจกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้มันหายไปบางทีก็ไปแก้โดยวิธีที่เป็นพิษเป็นภัยบางคนมีทุกข์ใจก็ไปดื่มสุราไปดับความทุกข์บางคนมีความทุกข์ใจก็ไปดื่มไป กินยาเสพติดไปเสพยาเสพติดเพื่อทำให้ลืมเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ใจแต่มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมันจะไปติดสุราไปติดยาเสพติดต่อแล้วทำให้ต้องเสพอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาไม่มียาเสพไม่มีสุราดื่มก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจ วิธีที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์ใจแบบไม่มีพิษมีภัยก็คือการเอาใจเข้าไปอยู่ในสมาธินั่นเองเอาใจเข้าไปอยู่ในบ้านของใจบ้านของใจก็คือสมาธิเหมือนกับบ้านของร่างกายเวลาฝนตกเราก็หลบเข้าไปในบ้านเราก็ไม่เปียกไม่เดือดร้อน เวลาใจเราทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีบ้านเราก็เอาใจเข้าไปในบ้านบ้านของเราก็คือสมาธิถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีบ้านเมื่อไม่มีบ้านเราก็ต้องรีบสร้างบ้านกันเหมือนกับบ้านของร่างกายเราพอไม่มีบ้านอยู่นี่เราต้องรีบหาบ้านกัน พราะเรารู้ว่าถ้าไม่มีบ้านเดี๋ยวไม่เราจะไม่ปลอดภัยเพราะมีภัยต่างๆมากมายที่เราจะต้องหลบนะใจก็เหมือนกันใจก็มีภัยต่างๆที่ทำให้ใจวุน่นวายใจก็ต้องมีบ้านนะเราก็ต้องรีบสร้างบ้านกันวิธีสร้างบ้านให้กับใจก็คือการให้ฝึกสติให้เรามีสติคอยควบคุมใจ ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เรื่องเดียวถ้าเราสามารถควบคุมบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจใจก็จะค่อยๆสงบลงความคิดก็จะน้อยลงเบาลงใจก็จะมีความเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับจนมีความสุขอย่างเต็มที่ เวลาใจสงบนี้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆใจเบาใจเย็นใจอิ่มเอิบใจมีความสุขถ้าเราทำอยู่บ่อยๆเราจะชำนาญแล้วเราจะสามารถดึงใจเข้าไปหลบภัยต่างๆได้เวลาที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาที่เราแก้ไม่ได้เราก็ใช้วิธีหลบไปก่อน เหมือนกับเวลาฝนตกนี่เราแก้ไม่ได้ห้ามฝนตกไม่ได้เราก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านเราก็สบายไม่เดือดร้อนกับฝนนี่คือบ้านของใจที่จะทำให้เรานี่อหลบความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใ น, ในแต่ละวัน เราไปทํางานทาการเราเจะเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆบา ง, า ง, งทีกลับมาบ้านความทุกข์ใจมันยังตามมันเรามาอยู่เลยถ้าเรากลับมาบ้านถ้าเรามีเวลาเราอยากที่จะเอาให้ความทุกข์ใจต่างๆนี้หายไปเราก็เอาใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปหลบอยู่ในสมาธิสักระยะหนึ่งพอเราลืมเรื่องราวต่างๆ ความทุกข์ความวุ่นวายใจเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วพอหายแล้วเราก็ออกจากสมาธิได้มีเป็นวิธีบำบัดความทุกข์ด้วยการหลบเข้าไปในบ้านของใจแล้วยาวยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการกำจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวร เพราะความทุกข์ของใจนี้ก็เป็นเหมือนโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายถ้าจะรักษาให้โครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปก็ต้องใช้ยารับประทานถ้าเราต้องการที่จะรักษาความทุกข์ต่างๆที่มันยังอยู่ในใจอยู่ถ้าอยากให้มันหายขาดก็ต้องใช้ยารักษาโรคของใจที่เรียกว่าปัญญา สมาธินี้ก็ช่วยบำบัดความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาเราเข้าไปในสมาธิเราก็ลืยเรื่องราวที่ทําให้เราทุกข์แต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเจอเรื่องราวเดิมความทุกข์ก็กลับขึ้นมาได้ใหม่ถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์โดยที่ไม่ให้มันกลับมาเลยเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะมารักษา โลกภัยต่างๆของใจให้หายขาดได้สมาธินี้เป็นเพียงหลบภัยของใจลบโลกภัยไข้เจ็บของใจเวลาไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปหาหมุมสงบที่ไหนนั่งหลับตาพุทโธพุทโธดูลมหายใจพอใจเข้าข้างในใจก็จะลืมเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์แต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมา เพราะเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปพอออกมาถ้าเราเจอเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหัดใช้ปัญญากันปัญญานี่เราสามารถที่จะเอามาแก้ไขความทุกข์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิเพียงแต่เราต้องรู้หลักของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร หลัของความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองความอยากต่อสิ่งต่างๆที่เราพบปะสัมผัสรับรู้เพราะเวลาที่เราพบปะสัมผัสรับรู้กับอะไรเรามักจะเกิดความอยากสองแบบด้วยกันอยากได้หรืออยากไม่ได้แต่เราพบกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ทำให้เราสุขเราก็อยากได้ พอเราพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากไม่ได้กันพอเกิดความอยากทั้งสองนี้แล้วใจของเราก็จะทุกข์กันขึ้นมาเวลาอยากได้อะไรนี้ใจเราจะกระวนกระวายกระสับกระสายเหมือนคนที่อยากถูกลอตเตอรี่วันหวยออกเวันหวยออกเพราะว่าใจไม่มีกระจิตกระใจทำงานกันใจกระสับกระสายคอยรอดูว่าวันนี้จะถูกหวยกันหรือเปล่า นี่พอเกิดความอยากเล่าใจมันก็จะเกิดความกังวลกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมานพอเกิดความอยากได้หรือเวลาไปเจอกับปัญหาไปเรื่องราวที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเวลามันไม่หายไปมันก็ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้เราใจหายจากความไม่สบายใจทั้งสองรูปแบบ เราต้องมาแก้ที่ใจเรามาหยุดที่ความอยากของเราเพราะความอยากของเราเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากนี้เราไปควบคุมบั ง, บงคับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาออกเลขที่เราแทงไม่ได้ว่งวดนี้ออกสองศูนย์นะมันสั่งไม่ได้พอไม่ถูกเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาวิธี ที่เราจะทำให้เราไม่ทุกข์ใจก็คือเราอย่าไปอยากถูกหวยก็หมดเรื่องอย่าไปเล่นหวยอย่าไปแทงหวยแล้วเวลาหวยออกมาถูกไม่ถูกเราก็ไม่เดือดร้อนต้องแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางทีก็เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ ขอเขาไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นปัญหากับเราเราก็อยากให้ร่างกายมันแข็งแรงแต่บางทีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันสวยมันงามไปนานๆแต่มันก็เริ่มเหี่ยวไปเรื่อยๆผมก็เริ่มหงอกหนังก็เริ่มเหี่ยวถ้าเรามีความอยากให้มันสวยมันหลอ่อมันแข็งแรงเราก็จะวุ่นวายใจไปกับมัน พราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปสั่งไปบังคับให้ร่างกายมันเป็นไปตามความต้องการของเราได้วิธีแก้ความทุกข์ใจของเราต้องยอมรับความจริงอย่าไปฝืนความจริงเราสั่งความจริงไม่ได้ความจริงเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เนี่ยะ ถ้ายอมรับว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นส้มอยากให้เขาเป็นกล้วยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เขาเป็นส้มก็ต้องให้เขาเป็นส้มไปเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับเขาเราต้องมองความจริงว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปปั้นเขาไม่ได้เขาเป็นตัวของเขาเอง เราแต่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเขาได้ถ้าเราหยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปมีความอยากเหล่านี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนี่คือหลักของปัญญาให้รู้ว่าความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเรา และสิ่งที่เราอยากมันเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามันดีสี่วันไข้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเป็นอนัตตาเราไปควบคุมไปสั่งให้เขาดีไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปจากดีเป็นไม่ดีเดี๋ยวก็จากไม่ดีก็กลับมาดี ขอให้เรายอมรับความจริงของเราของเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ใจต่างๆจะไม่มีอยู่ในใจของพวกเราเลยนี่เรียกว่าธรรมโอษฐ์ยารักษาโรคใจด้วยธรรมธรรมก็คืออริยรรสัจสีที่สอนว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปก็ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราอย่าไปเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้อย่าไปก้าคนนั้นก้าคนนี้ให้มาแก้ที่ใจเราเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราพอเราแก้ของเราได้แล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเขาเป็นยังไงเราก็อยู่กับเขาได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับเขาได้ ใจของเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบายไม่ ว, ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเรารับกับมันได้ทุกสภาพราบยศ เ, เสริญสุขจะเจริญเราก็รับกับมันได้ราบยศเสริญสุขมันจะเสื่อมเราก็รับกับมันได้เพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขา ใจที่ไม่มีความต้องการอะไรนี้กลับกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาโดยมห e ัสัจจันเวลาใจเราหยุดความอยากได้น NO> ี <S <S ้เราจะพบกับความอิ่มความสุขความพอที่เราไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่ามีอยู่ในตัวของเราเองความอยากนี่มันเป็นตัวที่มาขวางความสุขความอิ่มของใจนี่เองพอเรากำจัดความอยากต่างๆได้ ความสุขความอิ่มของใจก็จะปรากฏขึ้นมาท่ให้ใจเราไม่ต้องไปอาศายอะไรมาให้ความสุขความอิ่มกับใจราบยศสารเสริญสุคนี้ก็ไม่ต้องมีก็มีความสุขได้ถ้าไม่มีความอยากในใจนี่แหละคือวิธีการที่เราจะมาดูแลจิตใจของเราด้วยปัจจัยสี่ทางธรรม คืออาหารของใจให้อาหารใจด้วยการทำบุญทําทานให้เสื้อผ้าอนด้วยการรักษาศีลให้ที่วาสัยของใจด้วยการฝึกสมาธิเข้าสมาธิและรักษาโรคใจความไม่สบายใจวุ่นวายใจต่างๆด้วยปัญญาถ้าเรามีปัจจัยสี่ของใจแล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่มีเรื่องของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆตามมาอีกต่อไปเหมือนกับถ้าเรามีปัจจัยสี่ของร่างกายร่างกายของเราก็อยู่กันสุขสบายตอนนี้พวกเรามีปัจจัยสี่ทางร่างกายกันแต่เราขาดปัดจจัยสี่ทางใจเพราะเราไม่ค่อยมีเวลามาสร้างปัจจัยสี่ทางใจกันเพราะเรามัวแต่ไปสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายกันมากเกินไป พอเราไม่ได้เรียนรู้จากผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเริ่มเห็นความสาคัญของการเลี้ยงดูจิตใจของเราเราก็จะแบ่งเวลามาให้กับการสร้างปัจจัยสี่ของใจให้มากขึ้นและต่อไปใจของเราก็จะได้มีความสุขไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่คือเรื่องของที่พึ่งของใจที่เรามาฟังกันในวันนี้และนำขอให้นำเอาไปปฏิบัติต่อไปแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวความทุกข์ต่างๆที่มีเคยมีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันะราโสยะามณนิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตุอันตรายอสุขีตีคายุโกภวะ อพิวาทานศสิลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมะวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังลำดับต่อไปเป็นช่วงคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เมื่อกี้ลืมถามว่าผู้ติดตามวันนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวขอถามหน่อยผู้ติดตามทางบ้านวันวันนี้ทาง Facebook เข้ามา233 YouTube 301วิทยุออนไลน์11 รับฟังข้างบนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสองคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดครับโอเควันนี้ใช้หน้าไหนถ่ายทอดพอจอรหรือพระอาจารย์สุชาติออพระอาจารย์ยังใช้เดิมนีูค่คำถามจากคุณพิทักษ์นะครับนั่งภาวนาจนจิตเข้าสู่ความสงบและรักษาความสงบนั้นจนจิตรู้สึกพอใจ พอในความสงบแล้วจึงออกจากการภาวนาหลังจากนั้นได้สังเกตจิตหลังจากออกการภาวนามาแล้วว่ายังคงความสงบโล่งเบาสบายอยู่เช่นเดิมมีความสงสัยครับว่าจิตที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วหรือไม่ครับได้เวลาออกจากสมาธิแล้วถ้าอยากจะพิจารณาก็ได้หรือถ้าอยากจะเจริญสติต่อไปก็ได้ เพราะถ้าเรายัางไม่มั่นใจว่าสมาธิของเราอันนี้มั่นคงเรายัางไม่มั่นใจในความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตามที่เราต้องการเราก็เจริญสติไปก่อนแต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราก็มาเจริญปัญญามาศึกษาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่จิตใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น สิ่งของต่างๆที่เรามีเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงมีมีได้ก็ต้องหมดได้เกิดมาแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ต้องตายไปพอตายไปก็ต้องสูญทุกอย่างไปถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกทุกทั้งขณะที่อยู่และทุกขณะที่พัดภาคจากกันแต่ถ้าเราศึกษาความจริงเห็นว่าเราต้องเสียสิ่งเราต่างไป เราห้ามไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราก็มาเตรียมใจปล่อยวางกันพอถึงเวลาเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากกันไปอันนี้คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เตรียมพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราไม่มีความสงบหรือไม่มีสมาธิพอรเราจะ ปล่อยไม่ได้ถ้าเราปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องกลับเข้าไปทำสมาธิให้มากขึ้นสมาธิเราได้นี่ยังมีกำลังไม่มากพอเพราะบางทีการปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติเริ่มแรกมันก็มีน้อยกำลังมันน้อยต้องกำลัต้องปฏิบัติให้มันมากให้มันสามารถสงบได้ตลอดเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเข้าสมาธิหรือออกสมาธิ อันนั้นนะแล้วถึงเวลาที่จะปล่อยอะไรมันปล่อยได้ใจจะไม่สะเทือนกับการสูญเสียกับการพลาดพลาคจากสิ่งต่างๆไปถ้าใจเรายังสะเทือนอยู่ก็แสดงว่ า, เ, าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะปล่อยคำถามต่อไปจากคุณต้อยลูกชายอายุสิบสี่ปีอยากบวชไม่สึก แต่ดิฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมีข่าวเนนถูกทำร้ายบ่อยมากดิฉันควรทำอย่างไรดีเจ้าคะวัดมันก็มีหลายแบบนะเราก็ไปเลือกวัดที่ปลอดภัยวัดที่มีครูบาอาจารย์วัดสายปฏิบัตินี่ส่วนใหญ่จะมีผู้คอยควบคุมดูแลพระเนนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีปัญหา ถ้าไปบวชวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์บวชแล้วก็ปล่อยให้อยู่ตามสเปสปะไม่มีใครคอยสั่งสอนไม่มีใครควบคุมความประพฤติของพระเนในวัดถ้าไปบวชวัดแบบนั้นก็เกิดปัญหาได้แต่ถ้าไปบวชกับวัดที่มีครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขันคอยเฝ้าดูความประพฤติต่างๆของพระเนรส่วนใหญ่จะเป็นวัดแบบวัดปฏิบัติ และวัดปฏิบัตินี้จะเป็นวัดที่ไม่มีจำนวนมากเพราะครูบาอาจารย์นี้ท่านดูแลพระเนน์มากๆไม่ได้คนเดียววัดปฏิบัติจริงๆนี่ส่วนใหญ่นั้นนิยมมีประมาณสิบกว่ายี่สิบรูปเท่านั้นสมัยที่เราไปจะอยู่กับหลวงตานั้นตอนนั้นท่านรับปีละไม่ให้พระมีมากกว่าสิบหกสิบเจ็ดรูป เ, เพราะท่านบอกมีมากมันดูแลไม่ได้กายฉิเนี่ย มีน้อยมันคอยควบคุมดูแลความประพฤติของพระได้ทุกรูปพอมีมากๆนี่มันก็เหมือนจับปูนะจับปูใส่กระด้งถ้ามีตัวสองตัวมันก็ง่ายคอยจับมันอยู่ถ้ามีสิบยี่สิบตัวนี่แหมมันมีแค่สองมือมันตามจับมันไม่ไหวนี่คือวัดที่มีปริมาณมากๆจะไม่มีคุณภาพถ้าวัดที่มีปริมาณน้อยนี่มักจะมีคุณภาพ แต่ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะวัดปฏิบัตินี้จะไม่สนับสนุนความสุขสบายทางร่างกายจะใช้ความยากลำบากของร่างกายเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งให้มีพลังเห็นต้องต้องเลือกเอาต้องหาเอามีวัดเยอะแยะที่เป็นวัดดี วัดที่ไม่ดีจะมีน้อยแต่ก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันไม่มีที่ไหนจะดีร0อยเปอร์เซนตทุกอย่างมันก็มีเหมือนปัาทูเน่าในเข่งมันก็มีเน่าบางตัวตัวไหนเน่าเราก็จับโยนทิ้งไปวัดไหนเน่าเราก็อย่าเข้าไปเข้าวัดที่ไม่เน่าค ำ, คำถามจาก คุณรณภพครับทําสมาธิแต่จิตฟุง้งควรแก้ไขอย่างไรครับก็ขาดสติไงเวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติอยู่กับใจเช่นพุทโธพุทโธอย่าหยุดพุทโธถ้าดูลมหายใจก็อย่าหยุดดูลมหายใจนแล้วมันก็จะใหม่ใมันอาจจะฟุง้งแต่เราสู้มันไปสู้โดยการพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไป หรือถ้าพุทธโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนเพื่อให้มันหายฟุง้งแล้วเราก็มาดูลมหรือพุทธโธต่อไปอเชิญค่ะกรรมนรมาสการพระอาจารย์ค่ะถ้าตอนที่เรานั่งสมาธิอะค่ะแล้วเราเปิดธรรมะของพระอาจารย์ไปด้วยฟังไปด้วยอะค่ะเราจิตแล้วก็เหมือนจดจ่ออยู่กับเสียงของพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ไหมใช่ใ ช, ใช้แทนใช้แทนพุทธโธได้ ใช้เสียงธรรมที่เราฟังเป็นอารมณ์แทนพุโทโธแทนดูลมหายใจได้แต่อย่าใช้สองอย่างปนกันอย่าฟังธรรมไปแล้วก็พุโทโธไปด้วยมันจะชนกันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>ถ้าจะฟังธรรมก็ฟังไปเรื่อยๆใจก็จะสงบได้มันง่ายกว่าพุโทโธเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเราเพียงแต่นั่งฟัง <ทะ S 1> แต่ถ้าเราอยากจะสงบมากบางทีพุโทโธอย่างเดียวอาจจะทาให้จิตเข้าลึกกว่าก็ได้<ม> ก็เลือกเอาค่ะเราอีกข้อเนี่ยนะคะถ้าเราฟังทมแล้วก่อนนอนนะคะแล้วเราก็หลับไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นยานอนหลับไปนะ้นไม่เสียหายอะไรดีกว่านอนไม่หลับอ๋อขไม่ไม่ได้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากได้ประโยชน์เราก็อย่าไปนอนฟังเราต้องนั่งฟังเพราะนั่งฟังมันจะไม่หลับไง เหมือนอ่านหนังสือเราไปนอนเรียนแล้วก็หลับเราอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ผลจากการฟังธรรมเราก็ต้องนั่งฟังค่ะแต่ถ้าเราอยากจะใช้เป็นยานอนหลับเราก็นอนฟังไปขอบคุณค่ะอเคน ะ, คะอาเลยสองนาทีมิค่ะอยากจะถามอีกไห ม, มได้สักสองข้อ สองสามก็คำถามจากคุณจินคอบครับอุปจารสมาธิเหมือนหรือต่างจากความคิดอย่างไรครับ อ, อ๋อต่างเพราะว่ามันต้องรวมเป็นอัปปนาก่อนนะทีนี้มันไปมันไม่ได้ไปด้วยความคิดมันไปรับรู้เรื่องราวต่างๆด้วยพลังของจิตที่สงบมันจะสามารถรับรู้ความคิดของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับเทวดาอะไรต่างๆได้ แต่ก็อาจจะใช้ความคิดแต่เป็นความคิดที่ละเอียดที่ลึกกว่าความคิดที่เราใช้ทั่วๆไปความคิดที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนถึงจะออกไปทางอุปจาระสมาธิได้ถ้ายังไม่เข้าอุปจาระสมาธิก็เป็นความคิดบุงแต่งของจิตะยังไม่ใช่เป็นของจริงะ คำถามจากคุณริกกี้ในขั้นที่จิตยังไม่ได้หลักเกณฑ์หากอยากปฏิบัติให้ได้ผลเราควรงดดูข่าวจากทีวีหรือสื่อต่างๆในโซเชียลไปเลยจะดีที่สุดใช่ไหมครับหรือดูได้แต่จำกัดเวลาเช่นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็แล้วแต่ถ้าตัดไปได้เลยก็จะดีเพราะการดูการรับรู้อะไรนี้มันเึงนจิตออกข้างนอก การปฏิบัติเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์เราต้องการดึงจิตเข้าไปไหนเข้าไปข้างในเข้าไปในสมาธิเข้าไปที่ฐานของจิตที่ตั้งของจิตคือสัพความสงบถ้าเราเข้าไปถึงที่ตั้งได้ใจของเราจะมีความมั่นคงจะมีหลักมีเกณฑ์เอแต่ถ้าเรามัวแต่ไปคอยส่งออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เข้าไม่ได้มันสวนทางกัน การรับรู้สิ่งทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นการดึงใจออกข้างนอกการใช้พุทธโธหรือการใช้สติเป็นการดึงใจให้เข้าข้างในเห็นถ้าเราอยากจะได้ใจที่มีหลักมีเกณฑ์มีความสุขมีความสงบเราก็ต้องตัดเรื่องทางตาหูจมูกนิ้นกายไปให้หมดต่อไปหลังจากที่เรามีจิตเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วเราอยากจะมารับรู้อะไรก็ได้ พอเ ร, เรารับรู้โดยที่ไม่ได้บริโภคเรารับรู้เฉยๆแต่ถ้าเรายังไม่มีหลักมีเกณฑ์เวลาเรารับรู้อะไรเราจะบริโภคไปเราจะดีใจเสียใจไปกับมันแต่ถ้าจิตเรามีฐานมีความสงบแล้วมันจะไม่ไปบริโภคมันเพียงแต่จะรับรู้เฉยๆใครชมก็เฉยๆใครด่าก็เฉยๆไม่บริโภค น, นี่คือความแตกต่างของผู้ที่มี มีหลักกับผู้ที่ไม่มีหลักถ้าอยากจะมีหลักเบื้องต้นก็ต้องตัดทุกอย่างไปให้หมดไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบไม่รับรู้อะไรเพราะมันจะดึงใจให้เข้าข้างในได้ง่ายถ้าไปรับรู้มันก็ชักกระเยอะกันเดี๋ยวใจหนึ่งก็ดึงออกข้างนอกใจหนึ่งก็ดึงเข้าข้างในมันก็เหนื่อยมันก็ท้อเห็นถ้าอยากจะให้มันเข้าข้างในง่ายก็ต้อง ปิดตาหูจมูกลินไกายอย่าไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นดแล้วเวลาดึงใจเข้าข้างในมันจะไม่มีอะไรมาคอยยือ้อคอยดึงออกมันก็จะง่ายกว่าเอาแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิรพิ จ, จรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ Thank wow. you.